วันนี้ก็เริ่มต้นการเดินทางนะเป็นการเดินทางทุดงนะที่จริงการการทุดงมันไม่จำเป็นจะต้องออกเดินเท้านะหรือว่าเข้าป่าแบบนั้นก็ได้นะนะเพราะว่าทุดงจริงๆมันคือคือการขัดเกลวนะขัดเกลกิเลสนะออกไปจากจิตใจนะ มีทุดงขวัต13ข้อนะนะคือมันเป็นความตั้งใจของเราที่จะทำอะไรก็ได้ที่ในการขัดเกาวกิเศษของตัวเองนี่แหละนะจะเดินทางออกไปข้างนอกก็ได้นะหรือจะไม่ได้เดินทางออกไปข้างนอกก็ได้นะเราก็สามารถนะทำทุดงขวัดไดนะ้ทั้งหมดแหละนะแต่นี้เราก็อาศัยการเดินทางด้วยนะแล้วก็ผมต้องตั้ง ธุดงควัตของเราไปด้วยว่าเราจะถือธุดงควัตข้อไหนเนาะอย่างน้อยก็ข้อนึงนะหรือใครจะถือไปมากกว่า น, นั้นก็ได้เนาะธุดงควัตก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของจีวร น, นะเรื่องของบินทบาตเรื่องของเตนาสนะนะแล้วก็เรื่องของการการหลับการนอนเนาะเราก็สามารถจะถือ ถือข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะเป็นการตั้งจิตอธิษฐานของเราเนะเพราะบางทีการที่จะทำให้มันสม่าเสมอเช่นในเวลาประมาณหนึ่งเดือนเราจะทำสิ่งนี้ให้สม่าเสมอนะในการที่เราจะถือผู้ดงขววัดเนี่ยมันก็เป็นการขัดเกลากิริศของตัวเรานะอย่างเช่นเรื่องเรื่องอาหารเรื่องมิถาบัตรมันน ะ, นะเช่นเรา จบินธบาตเป็นวัดนะบินธบาตนะทุกทุกวันนะหรือเราจะฉันอาหารในบาทนะเป็นวัดนะเราบินทบาตตามลําดับนะพรรษานะเป็นวัดเราฉันมือเดียวเป็นวัดอะไรเนี่ยนะนะอันนี้คือมันก็มีสี่ข้อละซึ่งเราก็สามารถเลือกที่จะถือข้อใดข้อหนึ่งก็ได้หรือว่าจะถือทั้งหมดก็ได้นะ หรือเรื่องของผ้านะคือจีวรเนะ่ก็เช่นเราถือผ้าสามพื้นนะไม่ไม่ให้ขาดราตีแบบนีนะ้หรือว่าเราจะถือผ้าบางสกุลนะไม่รับผ้าที่ญาติโยมเขาซื้อจากร้านนำมาถวายนะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีละคนที่จะไปชัก ผ้าบักรสกุลแล้วก็มาเย็บเป็นจีวรเนนะี่ยก็ไม่มีนะไม่มีเท่าไหร่นะอันนี้คือเรื่องจีวร น, นะแต่ส่วนใหญ่เราก็ถือผ้าสามฝืนอยู่แล้วนะหรือบางทีก็เรื่องที่อยู่อาศัยเนะี่ยมันอาจจะทำได้ไม่หมดนะแต่อาจจะเลือกทำบางข้อบางคนเลือกที่จะอยู่ป่าเป็นวัดบางคนกที่อยู่ที่แจ้งเป็นวัดนะอยู่ใต้ หรือว่าอยู่ตามเสนาสนะที่เขาจัดให้เป็นวัดนะคือไม่เลือกนะถ้าไปที่ไหนน ะ, จะเจ้าวาดหรือว่าผู้ดูแลเสนาสนะของสงฆ์เขาจัดให้พักที่ไหนล้วก็เราก็พักที่นั่นนะไม่ต้องต่อรองอนะไรนียก็ได้หรือว่าการที่จะถือไม่นอนเป็นวัดนะในสัจชิกนึงนะทุตองขวัตนะก็มีมีทั้งหมดสิบสามข้อซึ่งเราก็ นะเมื่อเราถือว่าเราออกทุ ด, ดงเนาะก็ควรที่จะต้องถือข้อใดข้อหนึ่งนะนะเป็นอย่างน้อยเนาะแต่การเดินทุ ด, ดงนะมันเป็นเพียงแค่เป็นส่วนประกอบครับเพราะว่ามันทำให้เราได้พอลาเราเราเดินทางเนาะเราก็อาจจะเห็นเห็นความเหนื่อยเห็นความเมื่อยเห็นความหิวเห็นความท้อนะ เห็นความอยากยนะเราก็จะเห็นพวกนี้มันเยอะมากนะแล้วบางทีความเคยชินหรือว่าความอยากเนะี่ยมันจะมันจะมีเหตุมีผลมีอารมณ์มีอะไรต่างๆมามาล่อมาชวนนะให้เราทําตามมันนะเราจะเห็นพวกนี้เยอะนะดัะการเดินเท่าตรวจริงๆเดินเพื่อให้เห็นเห็นกิเลสนะเห็นความอยากแล้วก็ ไม่ทำตามมันนะเรียกว่าเดินเพื่อให้มันเป็นอิสระเหนืออำนาจของกิเลสนะเราจะเห็นข้างในมันอาจจะยั่วยวนอาจจะเรียกร้องอาจจะต่อรองสารพัดนะเวลามันหิวเวลามันเหนื่อยอย่างนี้เนาะโดยเฉพาะเป็นใหม่นะจะเป็นเรื่องของอาหารบางทีเดินเยอะๆอย่างนี้เนาะ เห็นอะไรมันก็จะอยากกินนะอยากได้ไปหมดนะแล้วในคณะเราก็จะมีจะมีเพิ่มคือเราอยากให้มันเพื่อการทุดตรงเรามันจะได้เรียกว่าเห็นกิเลสเยอะขึ้นนะแล้วก็ไม่ไม่ใช้ปัจจัยคนะือเงินทองนะบางคนจะสดะเลยก็ได้หรือบางคนเก็บไว้ก็ได้แต่ขอให้ ให้ไม่ใช่เนาะในการซื้อนะในการซื้อสิ่งของนะในระหว่างทางนะเราลองดูว่าพอเราไม่ใช้เงินนะชีวิตเราอยู่ได้ไหมด้วยการแค่บินธบาทไปเรื่อยๆนะนะหรือสิ่งของเท่าที่จำเป็นนะแนะถ้าเราบางทีบางอย่างมันเหมือนจะเหมือนจะจำเป็นนะแต่บางทีมันก็อาจจะไม่จำเป็นก็ได้นะ ขอแบ่งปันจากเพื่อนขอแบ่งปันจากวัดวาอารามที่เราผ่านไปบางทีมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่บางทีกิเลส น, นะบางทีมันก็อยากได้อย่างที่ต้องการ น, นะหรือแม้แต่เรื่องน้ำปาะณนะเรื่องอะไรเราก็ให้มันเป็นตามที่ตามที่เราได้ในระหว่างรายทางนะ อันนี้มันก็จะเห็นกิเลสตัวเองเยอะมากนะอย่างผมแต่ก่อนเคยทุ ด, ดงคนรูปเดียวนะนะก็บางทีก็ก็คือสระปัจจัยเลยอยนี้นะสระปัจจัยไม่มีปัจจัยก็บินทะบาทเอานะอะไรมันขาดมันอะไรมันขาดอะไรมันหมดเนะก็ ถือว่าไปขอจากวัดที่เราเดินผ่านเอาเช่นตะบู่หมดแล้วก็เข้าไปขอไปมีโกนหมดก็เข้าไปขอเอาเพราะว่าพอดีจริงคําว่าเราถวายสังฆทานนะโยมก็าถวายสังฆทานเนี่ยก็คือถวายแก่คณะสมอยู่ท่าไม่ใช่วัดสงในวัดนั้นวัดเดียวหรอกเราสามารถที่จะไปขอนจากวัดอื่นๆก็ได้นะก็เอาตามที่ ท่านจะให้เรานะอันนี้มันก็จะเห็นเออจริงๆมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องเอาแบบที่เราอยากได้ทั้งหมดก็ได้นะที่จริงมันอะไรก็ได้นะเพราะเราใช้เพียงแค่แค่บรรเทานะหรือแค่บําบัดนะอย่างอาหารนั่นนะแต่ก่อนอาจจะเราอาจจะเคยชินในรสชาติ ในปริมาณหรือในรูปรักษ์อะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่พอบินทบาลนี่เราก็จะเห็นชัดเลยโอ้ที่จริงอาหารเนี่ยมันเป็นเพียงอย่างที่เราได้พิจารณาบทปฏิสังขาโยทุกันนั่นแหละมันเป็นไปเพียงเพื่อให้เราตั้งดำรงนะดำรงชีวิตอยู่ได้เท่านั้นจริงๆนะมันบรรเทาความหิวนะป้องกันความหิวในอนาคตจริงๆนะ เราก็กินเหมือนคล้ายๆกินเพื่อประทังชีวิตนะอย่างที่บอกว่ากินเพื่ออยู่นะไม่ใช่อยู่เพื่อกินเลยเราก็จะเข้าใจเออมันเป็นแบบนี้จริงๆนะอาหารที่เขาใส่นี่ก็เป็นของที่เขาตั้งใจสวายให้เราแล้วแต่จะดีหรือไม่ดีถูกปากหรือไม่ถูกปาเนี่ยมันเป็นเรื่องความความเคยชินเนาะหรือเป็นเรื่องของความอยาก ที่เราอาจจะเคยชินหรือปรุงแต่งขึ้นมาแต่ลองดูเราเช่นเรายอมรับในอาหารที่เราได้แล้วก็กินเพื่อบรรเทาชีวิตนะเพื่อเพื่อมีแรงในการเดินทางนะเนี่ยเออชีวิตเราก็ก็อยู่ได้นะเนะบาขึ้นนะสิ่งของเครื่องใช้ก็คล้ายๆกันนะักก็ให้เรา เอาไปเท่าที่จําเป็นแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างการเดินทุดด ม, มันก็ดีไปอย่างคือเราแบกสัมภาระเองพอเวลาเราแบกเองเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอะไรมันจําเป็นไม่จําเป็นวันตอนเตรียมตัวเดินทางเนี่ยอาจจะมองว่าอะไรก็จําเป็นนียแต่พอเดินไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยสัมภาระมันหนักเนี่ยเนี่ยจิตมันจะค่อยๆ ค, ค, คิดเองว่ามันจะ อะไรรู้สึกว่าจําเป็นน้อยเนะี่ยมันก็จะค่อยๆเอาออกไปเออเอาออกไปเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าเออมันก็จะปลดสัมภาระออกไปนะอย่างภาลาหาเวเนี่ยคำว่าภาระน่ะเป็นของหนักเนาะนอกจากขันทั้งห้าของเราเป็นของหนักแล้วบางทีเราก็ไปแบกสมมุติอีกหลายอย่างว่ามันจําเป็นเนี่ยมันเป็นของหนักเนะ่ยเนี่ยสัมภาระ ในเป้ในกในย่ามของเราเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าอะไรมันจำเป็นนะอะไรไม่จำเป็นนะแต่วันนี้ก็ให้เราได้พิจารณาเลยนะแต่วันนี้เป็นวันเหมือนวันเตรียมตัวนะครับนะวันเตรียมตัวอะไรขาดนะก็เตรียมตัวให้พร้อมนะอะไรเกินก็ตะาออกเลยนะเผื่อจะได้ฝากรถเอากลับไปที่วัดอนะไรนเนาะวันนี้เป็นวันถือว่าเป็นวันเตรียมตัว ก่อนเดินทางเนาะเดี๋ยวหลังจากฉันเช้าเสร็จรถไปส่งเรานะถึงจุดเริ่มต้นเดินทางนะคราวนี้ก็จะเข้าสู่ภาคการเดินทุ ด, ดงจริงๆละคราวนี้ไม่มีตัวช่วยแล้วนะนะไม่มีรถอยู่นะแล้วก็ก็เรียกว่าต้องขอความร่มมือเนาะเราก็จะไม่หลังจากที่รถส่งเราแล้วเราก็จะไม่ใช้ปัจจัยละ จะใช้จริงๆก็ตอนนู่นตอนจะเดินทางกลับนะถ้าใครมีธุระจำเป็นต้องแยกทางก็ค่อยค่อยใช้ตรนนั้นนะแต่ถ้าเราอยู่ในขบวนก็อยากให้เราเนะีนะ่ยเรื่องการการไม่ใช้ปัจจัยนะ น, นี่คือสิ่งที่ก็จะทำให้เราเห็นกิเลสตัวเองชัดขึ้นนะเวลาเราเดินผ่านร้านค้าบางทีเราก็อยากจะกินน้ำเย็นๆอะไรเนะี่ย เพื่อบรรเทาความหิวเลยนะแต่จริงไม่ใช่ความหิวเท่า น, นั้นนะักที่จริงเป็นความอยากจริงกินน้ำเฉยๆนะมันบรรเทาความหิวได้นะแต่ความเย็นความหวานเนะี่ยมันคือความที่เราต้องการนะมันเป็นความอยากนะเวลาเราเดินผ่านเราก็สังเกตดูสังเกตดูนะมันก็จะเห็นพวกเนะี้ยผมว่าการเดินข้างตรงมันมันสนุก สนุกในการที่เราเหนื่อยนะเหนื่อยในการเดินทางนะแต่มันมีความสนุกที่เราได้เห็นเห็นกิเลสนะเห็นกิเลสที่มันเกิดขึ้นในใจของเรานะนะอีกส่วนหนึ่งมันก็ได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่แปลกตานะเพราะว่าเส้นทางที่เราเดินบางครั้งก็อาจจะเป็นเส้นที่ที่ชนบทหน่อยนะเป็นเส้นที่นะ ไม่พลุกพล่านด้วยรถดาราเนี่ย น, นะเราก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ที่แปลกตาสวยงามสงบนะแล้วก็การเดินทางของเราก็จะได้เห็นกิดเดสข้างในนะที่มันมันจะแสดงอะไรก็ก็ดูมันครับนะแล้วเราก็สังเกตดูว่าเราเราก็จะบางทีดูเฉยไม่พอบางทีก็ต้องใช้สมาธินะม่กําหนดอะไรบางอย่างนะมาสู้กับมัน หรือบางทีสมาธิไม่พอก็ต้องใช้อารมณ์อย่างอื่นมาแทนนะคิดบวกบ้างนะมองอย่างอื่นให้มันผ่อนคลายอารมณ์ไปบ้างอันนี้มาแทนนะไอธรรมะที่ที่เราเคยฟังมาเยอะๆนะหรือเคยอ่านมานั่นแหละเวลาเราออกเดินทุ่นตรเราออกเดินทางอย่างนงี้ครับมันจะมันจะดึงมาใช้ ไอธรรมะที่เป็นภาคทฤษฎีที่เป็นความรู้เนะี่ยพอเรามาเจอกับของจริงเนะี่ยมันจะออกมาใช้นะแล้วก็จะรู้ว่าเออไอที่เรารู้เนะี่ยเราทําได้หรื อ, อยังนะที่เราคิดว่าเราเข้าใจเนะี่ยมันเข้าใจมากเข้าใจน้อยมันทําได้มากทําได้น้อยได้ออยังเนะี่ยการเดินทุดรงเนี่ยจะเป็นเหมือนบททดสอบนะเป็นบทเรียนที่ให้เราได้ได้แปลงธรรมะที่เราได้รู้นะ เอามาสู่ภาคการปฏิบัตนะิปฏิบัติผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างนะเราก็จะได้เห็นว่าอะไรเป็นข้อบกครองของเราเราก็จะได้ตั้งใจแก้ไขตั้งใจปรับปรุงตั้งใจทำให้มันดีขึ้นเนี่ยผมว่ามันการเดินทุตงมันได้ประโยชน์ในการเนี่ยทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าเราเข้าใจธรรมะเราปฏิบัติทำเรามี มีความก้าวหน้ามากน้อยขนาดไหนเนาะนะอันนี้เราก็จะเห็นตัวเองนะมากขึ้นนะอีกอย่างก็อย่างที่ว่าเราก็จะเห็นกิเลสนะมันเยอะมากนะกิเลสที่มันนอนนะหรือบางทีเราก็ไม่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกิเลสเราคิดว่าเป็นมันเป็นสิ่งที่เราทำจนเป็นปกติเนาะพอเรางดหรือว่าเราดัดมันบางอย่างเนี่ย มันก็จะงอเ ง, งมันก็จะเรียกร้องเราก็จะเห็นกิเลสนะมันก็จะเป็นการสนุกนะถ้าดูดีมันเป็นการสนุกสนุกในการในการเขียนกิเลสหลวงพ่อคำเขียนเขาบอกเวลาป่วยนะเขาบอกสนุกป่วยนะเมื่อเมื่อตอนธรรมยาตาก็มีคนจีนมาถามธรรมะนะผมก็บอกว่าอย่างเดินเท้าดงเนี่ยผมก็สนุกเหนื่อยนสนุกเหนื่อยนะมันเหนื่อยนะ แต่มันสนุกสนุกที่เราได้เห็นกิเลสของตัวเองที่มาแสดงมันเป็นความสนุกนเป็นความชอบอย่างหนึ่งที่ได้เห็นการแสดงของของกิเลสต่างๆ น, งนะก็สนุกเหนื่อยเราก็จะได้เห็นนะพวกนี้แหละนะแล้วก็อีส่วนอีกหลายๆอย่างเราก็ได้เห็นข้อวัดข้อปฏิบัติที่ เราก็ต้องเรียนรู้นะนะหลายๆท่านเป็นเป็นพระใหม่ก็ดีถือว่าเป็นประสบการณ์ในการในในทางาศาสนาอาจจะยังไม่เยอะนะเวลาเราเดินทางเราก็จะเห็นข้อวัดข้ อ, ขอปฏิบัตินะในหลายๆรูปแบบเนาะนเวลาเราเข้าวัดป่านะเข้าปฏิบัติยังไม่ได้นะนะเราเองก็ต้องสังเกตเราก็ต้อง ปฏิบัติให้มันถูกเนอะแม้บางทีบริขารอะรบางอย่างเราอาจจะไม่ไม่เหมือนเขาทั้งหมดนะแต่อย่างน้อยในกิริยาในอะไรต่างๆเราเองก็ต้องตามัดระวังให้มันมากขึ้นเพราะว่าบางทีเวลาเราออกเดินทางนะเขาก็จะถามว่าเรามาจากวัดไหนตำนักไหนนะนะการตำหนิก็ไม่ใช่ตำหนิ ตัวเราเท่านั้นล่ะ ก, ก็ตําหนิครูบาอาจารย์นะตําหนิหลงเจ้าว่าไรแบบนะี้ที่ปล่อยให้มาได้ไงอะไรแบบนี้นนะคือมันก็จะเป็นการเรียกว่าเสื่อมเสียครูบาอาจารย์ไปด้วยเนาะแต่เราเองก็ต้องเรียนรู้นะค่อยค่อยเรียนรู้ไปว่าควรทําแบบไหนเนาะเดีวผมก็จะค่อยคแนะนําไปนะเพราะว่ายัางอยู่ด้วยกันอีกตั้งหลายวันนะถ้าไม่หนีกับก่อนนะ แต่ก็ถ้าใครตั้งใจนะก็อยู่ให้มันก็อยู่ให้มันครบนะอาจจะอดบ้างอาจจะเหนื่อยบ้างนะอาจจะหนาวบ้างอาจจะร้อนบ้างนะแต่ผมว่าถ้ามองดีๆมันก็เป็นแค่แค่ช่วขณะหนึ่งนะร้อนก็ช่วขณะหนึ่งนะหนาวก็ช่วงขณะหนึ่งนะ หิวนะก็ชั่วขนาดหนึ่งไม่หิวจนตายดอกผมบ้านนะเนี่ยเหนื่อยก็ชั่วขนาดหนึ่งนะได้พักก็หายนะเจ็บปวดเมื่อยก็เหมือนกันนะกลางวันเดินจนเมื่อยนะพอได้นอนพักอะ่ะก็หายเมื่อยไปเยอะแล้วเลยน ะ, นะลองดูทุกอย่างนะที่ปรากฏจนะมันเป็นแค่ชั่วขนาดหนึ่งชั่วขนาชั่วขนาดนะแต่จิตถ้าเราวางใจไม่ถูกนะมันจะไปจมกับ อารมณ์นั้นๆเนา ะ, นะลองดูดีๆนะครับเนะี่ยเราเอาสติมาฝึกไว้ดีๆเนะ่อันนี้คือคือสิ่งที่จะได้เรียนรู้เนาะในการเดินทุดดงเนาะก็แต่ถ้าใครมีข้อสงสัยมีอะไรจะทักถามไม่แน่ใจว่าอันนี้ทำได้ไม่ได้ควรทำไม่ควรทำอะไรแ น, นี้แนละ้วก็ก็ก็ถามได้เลยนะครับจนะได้ ก็จะแนะนำันถูกเนาะก็ฝากไว้สักครัน